ทีนี้ถ้ารูปกติกาเขาก็ชัดเจนเลยว่ารูปต้องทำปริญญ า, ารูปต้องปริญญาในรูป น, น, นปหานะคือการละในรูปสมุทยัยเนี่ยนะสัจฉิกิริยาคือการทำให้แจ้ง รูปนิโรธแล้วก็ภาวนาคือการเจริญรูปนิโรทคามินีปฏิปทาเนั้นถ้าจะบรรลุอริยสัจต้องบรรลุแบบนี้นะแล้วก็จะมีคำว่าบรรลุก็คือคำหนึ่งคือปฏิเวทใช่ไหมปฏิเวทหรืออภิสมัยอย่างไง เพราะฉะนั้นรูปจะต้องบรรลุด้วยการกําหนดรู้เวทุรูปรูปสมุทัยต้องบรรลุด้วยการละเวทานานิโรธอขอไปรูปนิโรธต้องบรรลุด้วยการทําให้แจ้งรูปนิโรธถ้าขามิมีปฏิปทาต้องบรรลุด้วยการเจริญหรือการภาวนาอา น, ะนี้นี่พูดไปกี่วรระแล้วนะสาแล้วนะวาระที่หนึ่งนะรูป รูปสมูทายรูปนิโรธรูปนิโรธถ้าคามิมีปฏิปทาวาระที่สองรูปควรกําหนดรู้รูปสมูทายควรละรูปนิโรธควรทําให้แจ้งรูปนิโรธถ้าคามิมีปฏิปทาควรควรเจริญวรระที่สถ้าจะบรรลุรูปนะต้องบรรลุด้วยการกําหนดรู้บรรลุรูปสมูทายด้วยการละบรรลุรูปนิโรธด้วยการทําให้แจ้งบรรลุรูปนิโรธถ้าคามิมีปฏิปทาด้วยการ เจรนินก็อภิสมัยเนี่ยทั่วๆไปก็แปลว่าบรรลุหรือตรัสรู้เนี่ยนะข้าปฏิเวทแปลว่าอะไรแทงตลอดใครอยากจะบรรลุหรืออยากแทงตลอดก็คือสิ่งเดียวกันนะนะั่นแหละแล้วแต่จะชอบคำไหนผู้การเอาคำไหนบรรลุอภิสมัยนะเอาบรรลุเลย น, นะบรรลุเนี่ยนะ ทีนี้การจําแนกปริยายเหล่านี้เนี่ยนะสามารถแบ่งได้หลายอย่างนะรูปรูปสมุ ท, ทยัยรูปนิโรตตัวเนี้ยสามารถขยายได้อีกตั้งหลายอย่างเช่นรูปฉันทราคานิโรธเนะรูปสมุทยะนิโรธ แล้วก็รูปนิสสระนะเนี่ยนะนิดคําที่แทนรูปนิโรธใช้ได้หลายวิธีซึ่งเป็นชื่อของนิพพานเหมือนกันเช่นรูปรูปฉันทราคานิโรธรูปนิโรธก็คือดับรูปใช่ไหมถ้าจะดับรูปหมายถึงดับฉันทราค้าในรูป ดับสมูทัยคือดับเหตุแห่งรูปแล้วก็สลัดออกจากรูปทั้งหมดนี้เป็นชื่อของพระนิพานจะเอาจริงเลยจ้ามินิตอวอรหน่าดูเลยนะรูปเนี่ยมันต้องดับฉันธราคาในรูปนะไม่ใช่เอบรรลุดีหรือไม่ดีนะ ถ, ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ได้บรรลุหรอกเชื่อรอ้อละเก้าสิบเก้าไม่ได้บรรลุเพราะอะไรเพราะว่าห่วงรูปถ้าห่วงรูปนะหมดติดบรรลุทีนี้ถ้าชื่อแทนรูปสมุทัยอีกคําหนึ่งคืออัสสาธะเดี๋ยนะถ้าพวกนี้คืออีกคําหนึ่งคืออาทีนวะ นะคำที่จะมาที่ายเกี่ยวกับถ้อยสิ่งเหล่านี้เพิ่มเติมว่าถ้ากลุ่มรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือสิ่งที่มีโทษเนื่องจากอะไรเพราะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุก์มีความแปรปรวนเป็นธรมรมดาธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นนะใครทำให้เที่ยงได้ไหมไม่ได้หรอก รูปสมูทไทยเนี่ยนะที่มันมันละยากมากก็เนื่องจากว่ามันมีอาสาทะนี่แหละ น, นะอาสาทะมันมันแรงจริงๆเลยนะอย่างเช่นนะมือหิ ว, ห, วหิวด้วยนะอาหารเนี่ยโอยจะเห็นว่าอาสาทะของอาหารนี่มันแรงจริงๆก็ยังว่าไม้บวชใหม่ๆนะโอยเนี่ยนะเชา้าจะชันให้ใครเคยรักษาอุโบสถแล้วหวังมาเช้าเอะ จะทานไม่อิ่มเลยอ่ะไหนนะพอเช้ามาจริงๆก็ไม่ได้เรื่องอะไม่เอาละมันหายหิวไหมทีนี้รูปฉันธราคานิโรธนะถ้าจะบรรลุรูปนิโรธจริงๆก็ต้องตัดฉันธราคาในารูปแล้วก็ดับเหตุแห่งรูปสลัดออกจากรูปเนี่ยนะ มะะันก็อริยศาสตร์นี่เพิ่มอีกนะใช่ไหมตามสัจธรรมอสูตรเลยเห็นไหมสัจธรรมสูตรก็รูปความเกิดของรูปความดับแห่งรูปข้อปฏิบัติให้ถึงความดับรูปอาสาธาแห่งรูปอาทีนวะแห่งรูปและนิสรณะแห่งรูปก็ก็เป็นอย่างนี้ทําให้เห็นว่าวิธีการพิจารณา พิจารณาไอไอทุกทั้งหลายเนี่ยมีวิธีการพิจารณาที่มากจริงๆอ่ะนะคือถ้าอะไรนะถ้ามีใจที่จะพิจารณากองทุกเนี่ยมีวิธีพิจารณาเยอะจริงๆอ่ะนะเยอะจนไม่รู้จะพิจารณาอะไรก่อนฮะเอาใหม่เอ่อต่อไปอีกว่าตัวข้อปฏิบัติที่จะทำให้สมมตินะละเลยเอ่าที่จะละ รูปสมูทายละอัศาธาหรือที่จะทำให้แทงตลอดรูปนิโรธหรือว่าตัดฉันทราค่าในรูปดับเพรแห่งรูปสลัดออกจากรูปจริงๆเนี่ยนะหรือที่จะเจริญให้อริยมรรคอย่า บ, บริบูรณ์จริงๆทำยังไงสูตรเขาก็มีว่าตามเห็นความไม่เที่ยงในรูปอ่ะนะตามเห็นบาลีเรืร่อ อันนีจานุปัสสนาในรูปเนี่ยนะจะตามเห็นรูปโดยความเป็นทุกข์ตามเห็นรูปโดยความเป็นอนัตตาตามเห็นรูปโดยความเป็นของหน้าเบอร์นายเนี่ยนะตามเห็นรูปโดยคลายกำหนัดวิราคะตามเห็นรูปโดยความดับนิโรธาเนี่ยตามเห็นรูปโดยความ ปฏินิสข า, าไอ้ปฏินิสข า, านี่แหละตัวนี้โอนมาอย่างนี้โดยส่วนเดียวคือโอนไปเพื่อแทงตลอดอริยสัจน่ย น, นะอย่างนี้จึงจะสลัดรูปได้โดยประการทั้งปวงห้าไม่อย่างนั้นนะไม่มีทางอื่นจริงๆพระพุทธเจ้ากล้าพูดขนาดนั้นนะขอกมาเมื่อก่อนไม่เห็นประโยชน์เลย ดูก่อนพี่สูตรทั้งหลายทางนี้เป็นทางเดียวนะเนี่ยะทางเอกก็คือทางเดียวอะ่ะไม่มีทางอื่นแล้วก็ไม่มีในาศาสนาอื่นอุ้ยคํานี้ทําไมเหมือนกับว่าเป็นคําที่พูดแบบภาษาไทยเรียกว่าคํารามนะนะเป็นคําที่คํารามปลัวบอกว่าสินค้าชนิดนี้มีที่เดียวอย่างเงี้ยนะเหมือนกับว่าโอ้โหทำไมทาไมกล้าพูดขนาดนั้นแต่ตอนหลังก็เห็นเหตุผลก็ไม่มีใครเข้าสอนอย่างนี้อยู่แล้ว สอนให้เห็นอย่างนี้นะนอกจากในพระไตัยวิโดกนี่หายากมากๆเลยอันนี้จังทุกขังอนัตตาอย่างยุคนี้ก็พอมีบ้างแต่ถึงกับเบื่อหน่ายคลายกำหนัดมุ่งไม่สร้างขันเป็นต้นเนี่ยนะหรือเพื่อสละคืนเพื่อให้แทงตลอดอริยสัจในแทบไม่ได้ยินนะเราต้องหาอ่านเอาในพระไตัยวิโดกมันก็มามาเห็นว่าพองบอกเลยว่าทางนี้คือทางเดียวจริงๆถ้าไม่เจริญตามนี้นะไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ ถ้าใครมองเห็นโครงสร้างเข้าใจทิศทางเนี่ยจะรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็มีเหตุผลชัดเจนหมดเลยใช่ไหมว่าถ้าไม่รู้นิโรธไม่รู้จากรูปเวทนาสัญญาสังขารโดยอาทีนวะเป็นต้นเนี่ยนะถ้าไม่ทำปริญญาในนี้จริงๆอ่ะจะมีมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นคืออะไรอัตตานุทิฏฐิ เพราะมันเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นที่ตั้งแห่งอัตตานุทิฏฐิคือความสำคัญว่าเป็นตนเนี่ย น, นะถ้าไม่แทงตลอดรูปสมุทัยเป็นต้นเนี่ยนะจะละอุดเฉททิฏฐิไม่ได้ถ้าไม่บรรลุรูปนิโรจะละสัสตทิฏฐิไม่ได้ ถ้าไม่เจริญภาวนาที่เรียกว่ารูปนิโรธคามินีปฏิปทาจะละอกิริยะทิฐิไม่ได้อนสรุปละมิจฉาทิฐิอะไรไม่ได้เลยเ พ, รพระพระโสดาบันเนี่ยคือผู้ละทิฐิได้โดยประการทั้งปวงใช่ไหมเนื่องจากพระโสดาบันเนี่ยทำกิจทำปริญญาในขันห้าจนละอัตานุทิฐิอนละอุเฉท ท, ทิฐิเด็ดขาดละ สัสตตติฐีเด็ดขาดและอกิริยะทิถิได้เด็ดขาดนะฉะนั้นก็ผลของการแทงตลอดอริยสัจนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากสามารถที่จะกําจัดมิจฉาทิฐิได้โดยประการทั้งปวงถ้าไม่อย่างนั้นก็กําจัดมิจฉาทิฐีไม่ได้ฉะนั้นข้อปฏิบัติตัวอนุปัสนาเจตนั่นแหละเรียกว่าสติปทานนันเอนะตัวตัวสติปทานก็คือการเจริญอนุปัสนาเจ ัการที่จะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจจริงๆก็คือการเจริญหรือการพิจารณาการเจริญอนุปัสนาเจตหรือพิจารณาขันโดยวิธีการดังกล่าวไปนะพิจารณาขันโดยวิธีที่ขึ้กล่าวไปแล้วทีนี้ไปดูยุทสูตรหนึ่งพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเรากล่าวการทำ เรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสะวะสําหรับผู้ที่รู้อยู่เห็นอยู่เราไม่กล่าวความสิ้นตายแห่งอาสะวะสําหรับผู้ไม่รู้ไม่เห็นแปลว่าโง่นะบรรลุไม่ได้แล้วคือบางลทัทธิเนี่ยเขาถือว่าเวียนไหวตายเกิดแล้วบรรลุเองอะนะบางลทัทธิเขาว่างั้นนะตายเกิดตายเกิดในที่สุดบรรลุจริงๆอันนี้เป็นไปได้ไหม ถ้าบรรลุอย่างนั้ น, นเราตายเกิดมานานแล้วได้บรรลุไปแล้วแต่ว่าไม่ใช่เพราะนั้นเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสะวะสาหรับผู้รู้อยู่เห็นอยู่ไม่กล่าวความสิ้นไปแห่งอาสะวะสาหรับผู้ไม่รู้ไม่เห็นรู้ยังไง ร, รู้ว่านี้รูปนี้ความเกิดแห่งรูปนี้ความดับแห่งรูปพูดมักอีกวิธีหนึ่งแล้วมักเป็นตัวเข้าไปเห็นเห็นว่านี้รูปนี้ เหตุเกิดแห่งรูปนี้ความดับแห่งรูปนี้เวทนานี้ความเกิดแห่งเวทนานี้ความดับแห่งเวทนานี้สัญญานี้เหตุเกิดแห่งสัญญานี้ความดับแห่งสัญญานี้สังขารนี้เหตุเกิดแห่งสังขารนี้ความดับแห่งสังขารนี้วิญญาณนี้เหตุเกิดแห่งวิญญาณนี้ความดับแห่งวิญญาณมนั้นใครที่จะสิ้นอาสวะจริงๆก็ต้องเห็นอริยสัจ ไม่เห็นอริยสัจบรรลุไม่ได้แม้แต่คําว่านี้รูปนี้เหตุเกิดของรูปเออนี้ความเกิดของรูปนี้ความดับของรูปแปลมาเป็นสมัยใหม่ว่าเกิดดับเนี่ยนะไอ้มันเกี่ยวอะไรกับอริยสัจไอ้เกิดดับสมัยใหม่ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับอริยสัจเลยแต่ว่าในพุพทธพจน์นั้นกล่าวไม่มีบกพร่องเลยซึ่งว่านี้รูปก็คือทุกขสัจใช่ไหมนี้ความเกิดแห่งรูปคือสมุทยัยสัจนี้ความดับแห่งรูปคือ นิโรธสัจจะถ้าต้องมาลูนิโรธจรึงจะดับรูปได้จริงๆเพราะฉะนั้นรู้ความเกิดคือรู้รูปสมุทัยรู้ความดับคือรู้พระนิพพานผู้ที่เห็นอย่างนี้เนี่ยนะไอ้มักภาวนาเนี่ยอริยมักมีชื่อหนึ่งคือทัศนโถใช่ไหมทัศนัโถเนี่ยนะทัศนัโถมีอาจว่าเห็นเพราะฉะนั้นมักเนี่ยต้องเห็นอย่างนี้จึงจักสิ้นอาสวะถ้าไม่เห็นอย่างนี้ ไม่สิ้นอาสวะเนี่ยนะสิ้นอาสวะไม่ได้แต่ก็กว่าจะเชื่อมโยงใช้พระ ส, สูตรค่อนข้างมากจริงๆไงกว่าจะเนี่ยไม่อย่างนั้นเราก็คิดไปคิดมานั้นมันตกขอบอีกจนได้ไงนะก็เอาพระ ส, สูตรมาเป็นเครื่องอธิบายเยอะอย่างวันนี้เนี่ยที่เราฟังนะเชื่อไหมฟังเป็นสิบสิบสูตรนะวันเนี้ยนะ อ๋อเลยเจนพานนี่เดี๋ยวให้พวกการติวเตอร์ให้แต่ก็ก็ใช่เพราะว่าคุณเวลาวันไม่ค่อยได้ฟังคำประเภทนี้หรอกนั่นนะน้อยมากฟังคือฟังอยู่แต่ว่าฟังไม่ค่อยมากถ้าฟังไม่มากนะคือครั้งก่อนๆนเนี่ยไม่มีบาลีมากเต็มกระดานขนาดนี้ นี่มีผู้พอไปมาานะแทบไม่มีภาษาไทยอยู่สักเท่าไหรเลยใช่มอยแว่าไผัผมผมฟังแล้วผมก็เลยบอกแล้วกันเลยจไม่ได้แต่ว่าอะไรช่วยสงเคราะห์คุณบุญมีน้อย ที่ที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยนะคือสัมมาทิฏฐิอยู่คําเดียวว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยเขารู้อะไรนะนืซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ที่จะทําให้บรรลุนะองค์เดียวบรรลุไม่ได้หรอกแต่เราพูดหนึ่งในองค์8ที่จะทําให้บรรลุซึ่งสัมมาทิฏฐิสําคัญที่สุดเลยเอา้าวฟังนะหนึ่งความหมายอาสาทาอาทีนะวะ <c oughs> ก็จะเอายก ยกพระสูตรมาแล้วก็ฟังเอาแล้วกันนะบอกดุก่อนพิกษุทั้งหลายพิสษุนรู้ชัดในรูปเน่ะรูปคืออะไรรูปคือมหาภูตรูปและรูปที่อาศัยตรงนี้เข้าใจยังเข้าใจนะครับเนาะเข้าใจเรื่องเร็ัยังเฮ้ยรูปคืออะไรรูปคือมหาภูตรูปและรูปที่อาศัยคืออุปาทายรูปนะ คือท่านดินท่านน้ํา่านไฟท่านลมเนี่ยเรียกว่ามหาพุทธ ร, รูปและรูปที่อาศัยคือสีกลิ่นสีกลิ่ น, สนรสโอชาเนี่ยเรียกว่าอุปาทายรูปและอุปาทายรอย่างอื่นยังมีอีกมีมีเยอะแยะว่างัน้นเถอะนะอีกยี่สิบสี่นั้นนั้นเนี่ยคือรูปท่านเก่าย่อยๆ อ, อย่างนี้นะใช่ไหมแล้วท่านบอกว่าการเกิด <c oughs> ของรูปเพราะอาหารเกิดรูปจึงเกิดนี่เข้าใจไหมเพราะอาหารเกิดรูปจึงเกิดเข้าใจใช่ไหมไม่กินอาหารอยู่ได้ไหม เดีก่อนคือรูปนี้ดีกว่านะรูปคืออะไรรูปคืออุปาไทายรูปและรูปที่อาศัยเนี่ยนะก็หมายความว่ารูปเนี่ยก็คือก็คือธาตุดินนะได้แก่อะไรผมคนเล็บฟันหนังธาตุน้ําก็ว่าไปเถอะนั่นแหะเนี่ยนะเอาย่อว่าผมคนเล็บฟันหนังนี่นแหละคือคือรูปคือปฐวีธาตุเนี่ยนะรูปนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะอาหารเกิดรูปจึงเกิด ใช่ไหมเพราะตาหูจมูกกลิ้นกายเนี่ยเพราะอาหารเกิดตาหูจมูกกลิ้นกายจึงเกิดแล้วก็ถ้าหากว่า <c oughs> อาหารดับรูปเหล่านี้ก็ดับนี่เข้าใจใช่ไหมอันนี้เหตุในะชาตินี้นะไม่ต้องพูดถึงเหตุไกลนะสุขโสมนัตใดอันเกิดขึ้นแต่รูปนี้คืออัสาธาของรู ป, รปคือสุขโสมนัตใดอันเกิดแต่รูปนั้นน่ะนะเรียกว่าอัสาธะ นึกออกไหมเ<อ> uh, ช่นตาเนี่ยเราเกิดความสุขจากตามีไหมความเกิดจากความสุขเกิดจากหูมีไหมความเกิดจากเสียงมีไหมความเกิดจากกลิ่นมีไหมความสุขเกิดจากรสนี่มีไหมนั่นแหละตุกสมนัด้ใดอันเกิดแต่รูปเรียกว่าอาศทะรูปไม่เที่ยงมีการแปลปวนไปมีการไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเป็นอนิจจงเนี่ยเป็นทุกขเนี่ยนเรียกว่า อาทีนวะของรูปขขอไอ้ชัดเจนไหมมีมมคำอะไรมีกคําคือนิสรณะนะการละฉันทราคะการกําจัดฉันทราคะในรูปเสียได้นี้คือนิสรณะของรูปเาาาาป น, นี่ยแหละคือทําให้เราพอใจอะไรก็แล้วแต่ทําให้เราเกิดความพอใจเรายินดีนั่นแหละคือคือาอาศะท่นะและอาศะท่าดีไหม อาทีนวะก็ทุกข์เงาแล้วตาเจ็บไหมหูเจ็บไหมนั่นแหละทั้งทุกข์ด้วยทุกข์กระทุกทุกทั้งหลายนั่นเนีเนอนะ น, น, นั่นแหละอาทีนวะส่วนอาสาท่านะ่ะคือสุขส่มนัฐนั่นะดีไหมคือสมุ ท, ทัยนัย่นแหละดีไหมดีไหมอาสาท่าดีไหมสุขสมนัฐใดเนี่ยมันเกิดแต่รูปเนี่ยดีไหมอาสาท่าดีไหม ชอบความสูงไหมชอบชอบความสูงไหมคือจริงๆแล้วถ้ามาดูตัวนี้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นอสาท่าหรืออาทีนวาเนี่ยผมมองในแง่ว่าอสาท่าก็คือไอ้ทุกข์นั่นแหละผมนึกในใจนะแต่ว่ามันทุกข์ไกลหน่อยมันทุกข์อ้อมหน่อยเท่านั้นเองนะแต่ตัวเขาเป็นสมุทรไทยนะ ก็สลัดออกไงล่ะคือว่าสุดยอดแล้วเนี่นไม่สลัดทิ้งไปเลยเหมือนกับสลัดผ้าเนอะเหมือนสลัดผ้ายนทิ้งไปเลยชาติหน้าไม่มีแล้วเรื่องรูปเลิกเกิดที่เลิกที่นั่นแหละนะ หือแปลกที่ว่าภาษาไทยมาแปลอักษรแล้วว่าคุณเนี่ยมันเสียท่าเลยมันหมดท่าเลยตรงนี้แล้วก็พยายามศึกษาอสัมมาทิฏฐิให้เข้าใจนะเพราะว่าถ้าจับคําว่าสัมมาทิฏฐิไม่เข้าใจเนี่ยไม่รู้จะเจริญว่ายังไงในศาสนานี้เพราะว่าส ม, มาศาสนานี้ขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิจริงๆในในข้อปฏิบัติที่จะทําให้ถึงความพ้นทุกข์เนี่ย ทีนี้สัมมาทิฏฐิก็ยังว่าแบ่งเป็นสุตะมยะปัญญาใช่ไหมสุตตะมยะญาณก็สัมมาทิฏฐิอั้นการฟังอริยสัจการทําความเข้าใจในอริยสัจทั้งโดยสุตะจินตะเนี่ยนะเอามาคิดเอามาใคร่ครวเนี่ยให้เพียงพอถ้าไม่พอก็ไม่รู้จะไปเจริญว่ายังไงอริยสัจเห็นไหมไม่ใช่ไปท่องว่าทุกทุกทุกแล้วจักพ้นทุกเนี่ยใช่ไหมไม่พ้นทุกหรอกเพรา ะ, ะนันก็ต้อง ทำความเข้าใจให้ดีเพราะว่าพงศ์ก็ตรัสอยู่แล้วว่าการทำที่สุดแห่งทุกในาศาสนานี้สำหรับผู้ที่รู้อยู่ <_ C. S 1> เห็นอยู่รู้เห็นในที่นี้ก็คือรู้เห็นอริยสัจอันความรู้ความเห็นอริยสัจนั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติสายกลางนะไอ้คำว่ากลางตรงนี้เนี่ยไม่ง่ายเลยใช่ไหมข้อปฏิบัติสายกลางเนี่ยนะคือความพอดีอ่ะที่ไม่เป็นสัสตทิทิไม่เป็น อุเฉดทิฏฐิไม่เป็นอาคติยะทิเถีเป็นการเจริญขึ้นเป็นการทําให้มีขึ้นแล้วไม่เอียงไปหาอุดเฉดไม่เอียงไปหาสัสตตทิฐิซึ่งไปเห็นว่านั่นทุกขนี้ความเกิดแห่งทุกนี้ความดับแห่งทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขเนี่ยนะซึ่งคําว่าทุกเนี่ยโยนไปตรงไหนก็ไม่ค่อยผิดใช่ไหมนี้ทุกเนี่ยโยนไปตรงไหนบ้างที่ไม่ใช่ทุกเนอะ ที่รับรู้นะในทวาร6เนี่ยโยนไปทุกอารมณ์นั่นแหละคือตัวทุกเพราะเป็นทุกข์ทุกที่ตั้งแห่งทุกข์ทุกเป็นวิปริณามะทุกเป็นสังขาระทุกเนี่ยนะก็ไปใส่ใจไปเจริญให้เยอะๆเนี่ยนะก็เพราะว่าไอ้ตัวมัชิมาปฏิปทาเป็นทางคำว่าทางก็ต้องไม่ใช่เดินก้าวเดียวแล้วพอก็ต้องเดินอย่างเนี้ยให้มากๆเนี่ยนะในสติปัฏฐานรก็แสดงไว้เป็นกี่ปี ะนะถ้าบุคคลเจริญอย่างนี้กี่ปีดิปีเจ็ดปีเจ็ด ป, ปีจงยกไวแต่เจริญจริงๆอ่านะไม่ได้เจ็ดวันเละให้มันได้ติดต่อกันเจ็ดวันเลยนะไม่ปริมาณวิปัสนาเกิดเจ็ดวันนะไม่ใช่ว่าเจ็ดวันมานั่งอยู่เฉยๆะนะไม่ใช่เจริญจริงๆให้ต่อเนื่องด้วยสุขโสมนัสเนี่ยเจ็ดวันแล้วบรรลุได้ จรอยังมีความสุขด้วยนะไม่ใช่ว่าทูทูไถ่ไถดูรริกาประจำเลยนะเมื่อไรจะดูปฏิทินอีกนี่ได้กี่วันแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ใช่อีกนะคือแปลกใจที่ว่ามีมีหลาย หลายสำนักที่ที่มีการเจริญวิปัสนาเขาก็พิจารณาสามัญลักษณะเนี่นะครับบางทีก็จู่ๆก็ไปพิจารณาอนัตตาเลยอย่างงี้นะครับก็หมายความว่าเขาไปดื้อๆเลยว่าเออเนี่ยรูปมันเป็นอนัตตาแล้วก็ไปดูรูปให้เป็นอนัตตาให้ได้โดยไม่มีการวิจัยไม่มีการทําปริญญาเลยคือไปดูให้เป็นอนิจจงดูให้เป็นทุกขังให้ได้จะเป็นตระกูล ดูที่ท้องก็ดีเนี่ยก็ต้องไปดูว่ามันไม่เที่ยงอย่างเนี้ยพองกระยุบเนี่ยมันไม่มันไม่คนละเรื่องมันคนละอย่างนี้จะทําให้เห็นอ น, นิจจังนี่นะครับหรือว่าเกิดไปนั่งเลยมันปวดเมื่อยเนี่ยนะจะได้เห็นทุกขังนี่นะแล้วบังคับบัญชามันไม่ได้นี่แหละจะเห็นอ น, นัตตาอันนี้เขาไปเห็นดื้อเลยแท่เรียกว่าไม่ไม่ต้องเรียนไม่ต้องอะไรเลยะครับไปไปดูอย่างนั้นนะเออก็แปลกเหมือนกันนะ ถ้าเราไม่ลืมคาอธิบายที่ที่กล่าวถึงนิโรธสัจจะเนี่ยนะนะว่าหลักการของเดียร์ธีกับพระพุทธศาสนาต่างกันเดียร์ธีนี้เข้าไปจัดแจงตัวทุกเนี่ยนะนะเข้าไปจัดแจงตัวทุก์ส่วนพระพุทธศาสนาเข้าไปกำจัดสมุ ท, ทยัยเนี่ยนะนะเน้นไปที่ที่ไหนที่เหตุเนี่ยนะนะ คือทำยังไงที่จะดับไอ้ต้นเหตุแห่งทุกข์ได้ใช่ไหมดูในหน้าห้าสบ็ดนะเอกหนังสือที่แจกหน้าห้าสิบเ็ดว่าเปรียบเหมือนต้นไม้แม้ถูกตัดแล้วเมื่อรากยังมั่นคงไม่มีอุปัตวะก็ย่อมงอกขึ้นได้อีกฉัน้นใดแม้ทุกนี้ก็ฉันนั้นเมื่อตันหานุสัยยังไม่ได้ถอนขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นบ่อยๆ อ, อันนะัถ้ายังไม่ได้ถอนฉันทราคะจากวัตถุเหล่านั้นจริงๆนะ ทุกมันก็เกิดอยู่อย่างนั้นร่ําไปฉะนั้นเมื่อทรงแสดงการดับทุกขนั้นจึงตรัสไว้อย่างนี้เพื่อทรงแสดงโดยความดับสมุทยัยแท้จริงพระตถาคตเจ้าทั้งหลายทรงประพฤติเปรียบเหมือนราชสีพระตถาคตเจ้าทั้งหลายเมื่อทรงดับทุกขเมื่อแสดงความดับทุกย่อมปฏิบัติในเหตุไม่ใช่ปฏิบัติในผลแต่พวกอัญญาเดรธีมีความประพฤติเปรียบด้วยสุนัขพวกเขาเหล่านั้นเมื่อจะดับทุกขก็ดี เมื่อจะแสดงความดับทุกข์ก็ดีย่อมปฏิบัติในผลโดยการประกอบเพียรทาตนให้ลำบากนนะก็เน้นไปจัดการกับรูปใช่ไหมเน้นไปจัดการกับตัวทุกข์สัตว์นั่งให้มันนานที่สุดเท่าที่จะนานได้จะได้ทุกข์มากๆขึ้นเออนี่มันทุกข์จริงๆแล้วไม่มีใครบังคับตัวทุกข์อันนั้นได้เลยใช่ไหมใช่เออนี่มันทุกข์จริงๆอ่ะน พอมายังนึกว่าถ้าจุติตอนที่กำลังทุกข์แบบนั้นเนี่ยควรจะเกิดที่ไหน <c oughs> คือคือกำหนดจนปฏิบัติแบบนั้นทุกข์มากๆเลยนะแล้วก็โทสะตลอดเพราะทุกข์มันใกล้ต่อโทสะใช่ไหมไม่มีเครื่องมือจริงๆเนี่ยโทสะทั้งนั้ น, นถ้าจุติตอนนั้นอะเกิดที่ไหนก็ไม่อยากคิดต่อนะว่ามันควรจะไปที่ไหนดี เัการเจริญหรือการปฏิบัติธรรมนั้นอนะเป็นการที่เจริญปัญญาเข้าไปพิจนารณาทีนี้ความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยนะอารคยาปรมาลาภานะผู้ที่ไม่มีโรคก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้ลาบอันประเสริฐครองสอนไม่ให้ไปหาทุกข์ใหม่มาทับถมนะแต่เพื่อทุกข์เก่าที่มีอยู่ทุกขในการบริหารขันทุกวันนี่ก็ถือว่าหนักหนาสาหัสอยู่แล้ว ทุกไม่ล่าบริหารขันแต่ละวันแต่ละวันตั้งกระชา้าจนถึงนอนอีกนอนก็ไม่ใช่ว่าโอ้ยถึงนอนน่าจะได้สบายใช่ไหมนอนไม่หลับจะว่าไงปวดเมื่อยไปหมดเลยนะพลิกซ้ายก็แล้วพลิกขวากว็าแล้วหงายก็แล้วเอียงซ้ายเอียงขวากว็าแล้วโอ้ยมันเดือดร้อนอีกแม้แต่นอนมันก็ยังเดือดร้อนอีกเพราะฉะนั้นอิรยาบถสี่ที่เป็นไปในชีวิตตั้งแต่ชา้าแต่วละยี่สบี่ชั่วโมงเนี่ยบริหารกองทุกเท่านั้นแหละ ทุกเท่านี้ก็ถือว่าทุกหนักหนาอยู่แล้วไม่ต้องไปหาทุกใหม่มามาทับถมเนี่ยนะันะการปฏิบัติเพื่อออกจากตัวทุกขนั้นะนะีนะ่ยคือการเจริญสมะถะเนี่ยนะนะเพื่อไม่ให้ทุกมันครอบงมแต่ถ้ากำจัดอวิชชาในวัตถุเหล่านั้นน่จะต้องมีอนุปัสนาในวัตถุเหล่านั้นการตามเห็นทุกข์โดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะนะนะมันไม่เที่ยงหรอกคิดประทุร้ายหรือเปล่า สมมติเราเจริญมรณ า, านุสตินะมรณ า, านุสติแล้วลึกถึงความตายใช่กับแช่งให้คนอื่นตายเหมือนกันไหมไม่เหมือนต่างกันยังไงอันไหนคือถ้าเจริญมรณ า, านุสติเนี่ยนะคือการมองชีวิตตามสภาพที่เป็นจริงว่าชีวิตมีความตายเป็นที่สุดรอบยังไงก็ตายแล้วปัจจัยแห่งความตายเนี่ยมีมากอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยแห่งความตายก่นึนไปตามนั่นตาย อันนี้เลเรียกว่าการเจริญมรณานุสติคือความเป็นอย่างนั้นน่ะมันสามารถเป็นอย่างนั้นได้หมดแหละส่วนแช่งอ่ะก็ให้มันตายเร็วกว่ากําหนดนั่นแหละอันนั้นก็ให้ตายเร็วขึ้นตายวันตายพรุ่งตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเย็นแห่ทรีตตายที่สุดเท่าที่จะตายเร็วได้เนี่ย น, นั้นคือแช่งละซึ่งการเจริญมรณ า, านุสติกับเจริญอนิจจานุปัสสนาก็คือกลุ่มเดียวกันไม่ใช่เข้าไปแช่งชักหักกระดูก แต่การไปพิจารณาตามสภาพตามความเป็นจริงซึ่งไอสภาพที่เป็นจริงอันนี้มันไม่ใช่แค่ไปใช้จักขู่วิญญาณดูแล้วรู้เลยใช่ไหมมันเป็นการใช้ปัญญาอย่างมากใช้ความเพียรอย่างมากใชเ้เรียวแรงใช้ความบากบัน่นหลายแห่งใช้คําว่าด้วยเรียวแรงของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษเนี่ยนะซึ่งบุรุษผู้มีความเพียรเขาไม่ย่อท้อในการพิจารณาอย่างนี้ S <S <an> ก็มันนะให้ให้ดีๆแล้วกันการเจริญอริยสัจการคิดอริยสัจการพิจารณาอริยสัจ ต, ตัวนี้แหละเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิที่จะทําที่สุดแห่งวัฏฏุกข์ได้การพิจรารณาการเจริญเนี่ยก่อนเจริญก็ตั้งไว้เลยว่าการเจริญอันนี้จงเป็นไปเพื่อการทําที่สุดแห่งทุกใช่ไหมเมื่อเจริญเสร็จแล้วก็บอกว่าการเจริญเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อการทําที่สุดแห่งทุกประเด็นตั้งเป้าเพื่อบรรลุอริยสัจ จเจริญเสร็จก็ตั้งความปรารถนาเพื่อให้ให้บรรลุอริยสัจอีกทำอยู่อย่างนี้เนี่ยนะก็ให้มันคู่ขี้กับหรือให้มันสูสีกับที่จเจริญตัณหาแล้วกันแล้วกันอนนานะเพราะตัณหาเราจเจริญมามากแล้วใช่จเจริญตัวปัญญาอย่างนี้ให้มันพอๆกับจเจริญตัณหานั่นแหละนั่นแหละจึงจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้สมควรกัเวลา คือจริงๆนะถ้าถ้าพิจารณาให้ดีๆนะพุทธานุสติเมตตาสุภาพมรณะคือสิ่งเดียวกันเทียงแต่ว่ามองกันคนละด้านอย่างเราเอาความรู้อริยสัจมามาตั้งเลยนะอริยสัจประกอบไปด้วยอะไรทุกสมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคเนี่ยน ะ, ะพุทธานุสติ ขอนอบน้อ ม, อมแด่พระผู้มีพระแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ขอนอมน้อ ม, อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้กําหนดรู้ในทุกผู้ละสมุ ท, ทยัยผู้ทํานิโรธให้แจ้งผู้เจริญอริยมัติอันนี้ยกตัวอย่างหนึ่งผู้ทำนุสติสองเมตตาใช่ไหมเจริญไประดับหนึ่งเนี่ยโทสะมันเกิดทุกตัวเนี้ยมันเป็นที่ตั้งแห่งโทสะด้วยใช่ไหม ยิ่งไปพิจารณาในวัตถุที่เราไม่ชอบวันนี้ทุกอย่างนะวัตถุที่เราไม่ชอบนึกแล้วมีโทสะในวัตถุนั้นนะเจริญเมตตากันคิดให้เนี่ยมีความสุขอเวราโฮนตูอัพยาปชาโฮนตูอานีคาโฮนตูสุขีอัตานงปริหารันตูให้มีความสุขนะอย่าได้เมียดเบียนอย่าได้มีเวรให้มีความสุขกายสุขใจ มีความเกษมมีความปลอดภัยเย็นอกเย็นใจนะให้ระงับโทสะได้ก่อนในวัตถุนั้นพอคิดไปคิดมาแล้วมันมีโทสะใช่ไหมหรือแม้กระทั่งตัวเองก็เหมือนกันเนี่ยคิดไปคิดมาตัวเองมีโทสะทำไงคิดให้ตัวเองมีความสุขก่น่นเวลาที่คิดไปแล้วมันเศร้าใจไม่มีความสุขไม่มีอะไรเลยนะก็จะเจริญเมตตก่อนทีนี้จเจริญไปจเจริญมาดันชอบอีกมันปฏิกูลนะเนีย่ยนะเนี่ยก็จเจริญ อสุภะใช่หว่าจริงๆแล้ววัตถุตัวนี้มันเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งความปฏิกูลเนยห ร, รือตัวมันเองปฏิกูลไม่เชื่อตัดผมแล้วก็เก็บเอาไว้ดูสิยัถอนฟันแล้วก็ไม่ต้องเอาให้เอาไปด้วยแล้วก็อะไรอีกมรณะมรณะก็คืออนิจจานุปัสสนานั่นแหละกลมเดียวกันนะตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยง แต่มรณานุสติหรือการระลึกถึงความตายก็คือตัวเนี้ยตายแน่ตัวทุกเนี่ยยังไงมันตายแน่มันตายจริงๆนะมันไม่ใช่ตายแบบล้อเล่นใช่ไหมมันตายจริงๆนะมันไม่ใช่แบบเอออันนี้จังทุกขังอนัตตากล่อมๆเฉยๆนะมันตายจริงๆนะนะครับนี่ก็คือมรณะนุสตมันตายจริงๆนะถ้าตายแล้วตายแล้วจะไปเจริญอะไรคำนี้เอาเกิดชาติหน้าจะเออะไรมาเจริญมันก็จะได้ตื่นตัวจะได้พิจารณาเริยสัตว์ต่อไป หันวนๆโดยรอบนะจากพุทธานุสติเมตตาสุภะพมรณะก็ยังวนอยู่ในอริยสัจอยู่ดีเนี่ยนะจะเห็นว่าพุทธานุสติเพื่อเพิ่มอะไรวัตถุประสงค์เพิ่มสัตทินรีเมตตาเพื่อเจริญอะไรอ่นะเพื่อเจริญพรหมวิหารอาสุภะเพื่อเจริญตัวสมาธิเนี่ยนะ มรณะก็เพื่อเจริญปัญญาพวกเมตตาเนี่ยบางทีก็ต้องวิริยะมากศรัทธาวิริยะสมาธิแล้วก็ปัญญาคนที่เจริญได้อย่างไ้เป็นคนหลงลมลืมเลือนได้ไหมไม่ได้อันนั้นแหละเป็นพูดที่มีสติพันธ์ก็เรียกว่าศรัทธาเพราะก็คืออบรมอินสี่ห้าแต่เป็นการพูดอีกวิธีหนึ่งเท่านั้นเองอันนั้นก็คือการเจริญอินรี่ห้าใน อันนะั้นแต่อย่าลืมว่าวัตถุประสงค์ก็อริยสัจเป็นตัวตั้งอันนะั้นสมควรกับเวลาละนะ